ยาี s <S เรื่องเปลี่ยนโจรให้เ ป, เป็นเพื่อนนักธุรกิจไทยผู้หนึ่งได้เล <uggling> ่าถึงประสบการณ์เมื่อครั้งไปเรียนหนังสือในเมืองบอสตันว่า เธอเคยถูกคนผิวดำล็อกคอและเอามีดจี้ขณะรอสัญญาณไฟเขียวบนเกาะหน้ามหาวิทยาลายัยเมื่อโจรพบว่าในกระเป๋าของเธอมีเงินแค่20ิดอลลาร์ก็ไม่พอใจเขาขุนเคืองหนักขึ้นเมื่อพบว่าเธอไม่มีนาฬิกาแหวนและกําไรเลยสักอย่างเขาจึงถามเธอว่า เป็นคนเอเชียมาเรียนที่นี่ได้ก็ต้องรวยไม่ใช่หรอเธอตอบว่าสําหรับฉันน่าไม่ใช่เพราะได้ทุนมาแล้วโจรก็ย้อนกลับมาถามถึงเงิน20ิดอลลาร์ว่าจะเอาไปทำอะไรเธอตอบว่าเอาไปซื้อไข่เขาขถามเธอว่าเอาไข่ไปทำอะไรเอาไปต้มกินได้ทางอาทิตย์ เธอตอบตามความเป็นจริงเพราะตอนนั้นการเงินฝืดเคืองระหว่างที่โต้อตอบกันอยู่นั้นยามหน้ามหาวิทยาลัยเห็นผิดสังเกตจึงยกหูโทรศัพท์เรียกตำรวจถ้ามองเห็นพอดีก็เลยโบกมือว่าไม่ต้องไม่ต้องเราเป็นเพื่อนกันโจรได้ยินเช่นนั้นก็งงถามว่าคุณรู้จักกับผมมาตั้งแต่เมื่ อ, อไหร่ ก็เมื่อกี้ไงเธอตอบโจนเปลี่ยนท่าทีไปทันทีหลังจากสนทนาพักใหญ่โจนไม่เพียงแต่จะคืนเงินให้เธอหากยังพาเธอไปซื้อไข่และซื้ออาหารสามถุงใหญ่พร้อมทั้งหิ้วมาส่งถึงหน้ามหาวิทยาลายัยแล้วยังแถมเงินอีก50ดอลลาร์เรื่องนี้ยังไม่จบเพราะวันรุ่งขึ้น เธอนำเงิน50ดอลลาร์นั้นไปซื้อเครื่องปรุงอาหารไทยแล้วไปเยี่ยมบ้านเขาเพื่อทำต้มยำกุ้งให้กินกันทั้งครอบครัวนับแต่นั้นทั้งสองฝ่ายก็ไปมาหาสู่กันเธอเล่าว่าทุกวันนี้หากมีธุระในบอสตันก็จะไปแวะเยี่ยมครอบครัวนี้ทุกครั้งน้ำใจไมตรีและความดีนั้น มีพลังที่สามารถเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีและเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นสะพานสารมิตรภาพได้ใช่หรือไม่ว่าการกำจัดศัตรูที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนเขามาเป็นมิตรนั่นเองนี้คือชัยชนะที่ให้ผลยั่งยืนกว่าชัยชนะด้วยกำลังที่เหนือกว่า